มีท่านผู้ฟังจํานวนไม่น้อยของเสียงสู่ด้วยว่าอาจารย์สู่พรหมเชยธีระซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในวงการเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานมาเล่าให้ฟัง ภายใต้การควบคุมการสอนโดยอาจารย์เชย มีผู้เขียนถึงท่านในหนังสือต่างๆอยู่ อ่าท่านๆเนี่ยสามารถที่จะทําได้ถึงขนาดประมาณองององององ 50 องค์ให้มาช่วยควบ อาจารย์ยอดอัญเชิญมานะครับคาถาที่อัญเชิญท่านเสียนสูตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ 6, 6 อย่างเนี่ยนะครับพอ จะสงบง่ายสงบง่ายง่ายนะสงบง่ายไม่หวั่นไหวหรือว่ายินดียินร้ายมันจะเสียงดัง เมื่อเราท่านตกอยู่ในความคับขันอันตราย นะบางท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังๆกับพลังไฟฟ้าสมรรถภาพของจิตก็ สมองจะมีสภาพไม่แตกต่างไปกว่าหรือว่าอวัยวะที่ไม่มีคุณค่าอ่าชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่อาจารย์ยอดเคยปฏิบัติ เซียนสูเนี่ยเป็นผู้ที่มีความ ศีลสุโมงช่วยไม่ยึดถือตัวบุคคลเพื่อให้ทุกคนพ้นๆโดยถือหลักเมตตากรุณา ท่านเจนสู่ก็จะรับเอาไว้ด้วยความจำ มอบเงินค่ายาค่ารถกลับให้ด้วยความเมตตาสงสารเสียงสูปฏิบัติอย่างเนี้ยสม่ำเสมอเป็นเวลาเป็น 10 10 ปีทีนี้มาถึงประวัติของท่านล่ะท่านมาจากไหนท่านเป็นใครเสียงสูเนี่ยชื่อเก่าท่านชื่ออ่าสูเสียงนามสกุลแซ่ซื้อนะครับมาเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยภายหลังว่าพรหมเฉยธีระนะเสียงสูเกิดที่ แต่จิ๋วมนทนกวางตุ้งปีมะแมเดือน 4 อ่าวัน 12 ของจีนปี 2450 ครับเสียนสูออกจากบ้าน อ่าแล้วก็เรียนวิชาจากพระหลวงจีนผู้มีชื่อเสียง 2 ท่าน สุดท้ายก็ 21 ปีใช้ชื่อว่านายเสียงนามสกุลแซ่ซื้อโดย เซียนสู่ก็เดินทางไปสิงคโปร์แล้วก็โดยมอบสมบัติทั้งหมดให้น้องชายบาทเป็น พอเก็บเงินได้ 50 บาทก็เข้าหุ้นกับคนจีนคนนึงทําขายแล้วเวลาเดียวก็รับจ้างทํางานขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะงานอยู่หัวหิน 6 7 เดือนก็มากิจการทําขนมปังให้เพื่อนทั้งหมดแล้วเดินทางมายังชลบุรีแล้วก็มาอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยเรื่อยมาจนถึงบ้าน ทำขนมปัง 34 ปีเสียนสูก็ 6 คนนับ ทำให้เสียงสูมีเวลาในการฝึกสมาธิแล้วก็ คนที่มาซื้อต้องร้องบอกปาต้องโกสุกแล้วเตียนั่นแหละเสียนสูต้องครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการ คือท่านเซียนสูนี่ทําสมาธิง่ายๆโดยไม่ต้องส่วนมนต์ไหว้พระและได 4 ได้ ตอนนั้นเมื่อมีเวลาว่างจากทอด ในทางทําได้แล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ผู้สอนเองบางท่านก็ยังค่อยๆคลําหาหนทางปฏิบัติเอา ต่อมาเมื่อท่านอายุได้ 41 ปีได้เจอพระอาจารย์องค์สําคัญคือหลวงพ่อปีก็เริ่มปฏิบัติสมาธิ หลวงพ่อเฉยซึ่งเป็นอาจารย์ของเสียนสูนี้เป็นพระผู้เฒ่าผู้ หลวงพ่อเฉยชอบนุ่งจีวรเก่าๆสกปรกฉันหมากปากแดงเครอะน้ำหมา หวงโรงจังตายไปแล้วมึงยังหวงสมบัติอยู่อีกเหรอเออยังหวงโรงอยู่อีกแสดงว่าหลวงปอเชยโดนผี แม่ครัวที่วัดไม่ชอบท่านบ่เข้า เพราะว่าท่านไม่ยึดถือในตัวตนว่าเป็นตัวเราของเราบางวันหลวงพ่อเจือจะ บอกเพราะว่าเห็นท่านเป็นพระบ้าท่านอย่าทำร้ายเอาเพราะว่าเห็นท่านเป็น แต่ว่าเงาร่มนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเมื่อถึงคราว ต่างก็พากันเล่าลือไปทั่วว่าหลวงพ่อเชย ก็กลางให้ห้วยเป็นปริศนาหยาบๆคล้ายๆบางทีคนไปหาทั้งกดด่าเอาเสียเสียหายหายจน อันนี้เข้าใจว่ามาปรากฏเป็นนิมิตในสมาธิท่านเสียนสู่มั่นใจว่า 5 ชนิดมา 5 ชนิดก็ 5 อันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนั้น ไม่ต้องมีศีลก็หรอกนะเสียงสู่ฟังแล้วก็งงก็พยายามตีความหมายเอา ซึ่งก็คือการเจริญอานาปานสติอ่าอานาปานสติอ่ากําหนดลมหายใจเข้า เพื่อนํามาใช้ล้างผลาญกิเลสแรกเริ่มเดิมทีเมื่อ อ่าทางหินายันเค้าเรียกว่าอินทรียสังวรเป็นองค์ภาวนาก็ทําให้รู้ท่าทันอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธตอนแรกโกรธแล้วถึงได้ สติสําคัญที่สุดนี่เป็นสิ่ง โดยโดยใช้วิธีนอนภาวนาก็เลยได้ความรู้ขึ้นมาว่าๆเสียสู่ก็ขาดสติ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ท่านเป็นพรมเหมือนเปรียบพระเทียบสอนนี้ เฝ้าอาทรกังวลล้นหัวใจกังวลล้นหัวใจยามลูกทุกข์ทุกข์ด้วยช่วยเป็นทุกข์ยามลูกสุขพลอยสุขทุกสมัยเมตตาบุตรรัก หลังจากที่หลวงพ่อเชยเนี่ยท่านสอนวิอ่าวิชาเล่นลมหรืออานาปานสติให้กับเสียนสู่แล้วหลวง ต้องการจะหนีไปให้พ้นจากโลกเพื่อมรรคผลนิพพานอาจารย์สู่เสร็จแล้วก็เอาใบตาลเสียบเข้ากับ หล่นตบลงมานี่ฝุ่นกระจายเลยลงมาถึง หลวงพ่อเฉยกำลังนั่งตกปลาอยู่พอได้อร่อยอร่อยอร่อยดีฉัน จึงตกตะลึงเลยก็เข้าไปเปิดหม้อแกงดูตกตะลึงเลยไม่มีปลาสักชิ้น หรือว่าละครนี่แสดงอยู่ที่ไหนหลวงพ่อเชยสามารถยกเอาคณะนิ้วและคณะละครมาดูได้หมดคือวันนึงเสียงสู่อยู่คน ละครที่กรุงเทพฯอ่ะฮะกําลังแสดงอ่ะๆจอภาพยนตร์แสดงว่าหลวง เป็นการส่งภาพการแสดงละครมาคล้ายระบบโทรทัศน์เลยแต่ว่าไม่มีเครื่องมืออะไรซักอย่างเสียงสูยอมรับว่าวิชาลึกลับนี่แปลกจริงๆแต่ก็ไม่ได้ถามลงพ่อเชยว่าเป็นวิชาอะไรแล้วก็ทําได้อย่างไงเสียงสูเล่าอีกกว่าหลงพ่อเชยใช้หูที่แปลตาทิบคอยติดตามดูความเป็นไปในครอบครัวของเสียงสูอยู่เสมอ ขณะที่เดินข้ามถนนไม่ระวังตัวพอดีมีรถวิ่งมาอย่างเดินรุ่มร่ามเปรอะราไม่ ล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อเเฉยได้เรียกเสียน บอกว่าเป็นอาจารย์แบบนี้อย่าเป็นดีกว่านะหลวงพ่อเฉยได้ฟังอย่างนั้นก็เพียงแต่พูดว่าเออเสียดายมากนะที่ต้องมาขัดจากตัดขาดจากกันแล้วในวันต่อมาหลวงพ่อเฉยก็หายไปจากวัดราชบำรุงแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเสียงสูพยายามออกติดตามๆแต่หา วันรุ่งขึ้นมีคนมาบอกว่ามีพระๆองค์หนึ่งไป 2 ชั่วโมงเสียนสุรู้ข่าวก็ ก็เลยไปพบหลงป่อเชยนั่งสมาธิอยู่ในป่ามีเผาวันพันอยู่รอบตัวเลยท่านเสียนสูก็เข้าไปกราบขอคมาราโทศฝากตัวเป็นลุกษิตอย่างเดิมแต่หลงป่อยเชยไม่ยอมลงมาจากผู้เขาอีกแล้วเสียนสูก็เลยได้ร่วมกับผู้มีจิตสัดทาซ่างกุติให้หลงป่อเชยอยู่ monkey มีอยู่คราวหนึ่งหลงพอเชยปิดปตูเข้าถี่นั่งเจริญสมายิพวนาวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วหลงพอเชยก็ไม่ออกมาจาก้อง ทุกวันเสียนสูเป็νคนที่ทำอาหารไว้ถloiหลงพอเชย ขอยท่านออกมาฉันอาหารก็ไม่ออกมาสักที เสียนสูหิวข้าวแต่ไม่กล่ากินก่อนก็นั่งคอยledgeอร์ โหรันบูชล york Motion ก็เท แสงสุหิวข้าวมากกว่านึกในใจเมื่อไหร่จะออกมาซะทีอ่ะเรา ก็นั่งเข้าสมาทิรอหลงพ่อเฉยอยู่ที่หน้าประตุ หลงพ่อเฉยรู้ทัногก็เลยไม่ยอมนั่งสมาทิ นานก็รีบเปิดประตูออกมาชันข้าวเป็นปากติ ตอนที่เซยจamaสูระขึ้นบ้speed กรมาหยูี breasts ได้เห็นกุณธรรมของหลงพ่อเฉยที่แผ่ไปถึงบัญดาสัตรป่าในเขาปากแรiliaryก็คือ หนูจ๋ามากินข้าวกันมาหนูเดี๋ยวๆฝูงหนูไม่ร้อยๆตัวส่งเสียงร้องเจี๊ยวจ๊าวไปเออค่อยๆกินทีละ <ơi> อีกคราวหนึ่งเสียนสูนั่งอยู่กับหลวงพ่อเฉยตอน Krugmen olhos κα норм oh ma son krim in decoration. ป่喇 com khuallit dritz potong uncanny in desert-style or poveditts. It is perfectly kulake and you may have an attention to nothing. If cnyäche's a creature, there is a disciple of skeletonsium, of course, and Fogey Ch том or so on, you see it, it's possible to accept all of seatisans with animalismus, which means humans say they must caring at the top of the disease. And they'll speak despite the truth, by the evil source of industry, bringing that ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องหลวงพ่อ คนไข้เป็นปกติกลับไปแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อเชยจับไข้ตัวสั่นมีอาการ ผู้ชายคนนั้นตกใจร้องเสียงดังเอาหัวตาช่วยด้วยหลวงปู่เชยได้ยินก็เลยออกมาจากกุฏิ อ่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงหนังมังสาและกระดูกเชื่อมสนิทติดกันได้อย่าง เมื่อเสียนสู่เรียนบิชชาเล่นลมหรือว่าอานาปานสติจนสําเร็จ จากนั้นก็ไปหาซื้อจีวรเอาไปเปลี่ยนให้หลวงพ่อเชยๆเอาเออจะเผาอยู่แล้วเปลี่ยนจีวรให้หลวงพ่อเชยจนได้ครั้งต่อมา ที่รอบๆกุฏิของท่าน จึงสู่จัดการขายเครื่องทองหยองที่ แล้วก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งกระดูกได้กลายเป็นเนื้อ โดยทําด้วยโครงไม้ไผ่ละบุด้วยผ้าเสียนสูเป็นผู้ บางครั้งกําลังรับประทานอาหารอยู่ได้ ท่านทำไปก็เพราะต้องการทำตนให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ทั้ง อาสมุฏฐานของโรคการวินิจฉัยโรคเซียนสู่ได้ใช้พลังจิตหรือว่ากระแส โดยรักษาควบคู่กันไปด้วยคนเจ็บไข้ที่มาให้เสี้ยนสู่รักษาเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตโรคอื่นโรค ที่ท่านสามารถรักษาให้หายได้ท่านสามารถรักษาให้แต่ท่านก็ได้พยายามใช้พลังจิตได้คือคนไข้รายนึงหายเสีย ทำให้บางคนก็ขาดกลัวตายจนเกินไปรู้จักนิสัยใจคอของคนๆเซียนสูก็บอกอย่างขำ มีภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่ง คุณนายกับน้องสาวเนี่ยรอดตายจากโรคนี่ เทอเรียกันว่าสติปัฏฐานอย่าให้ทรัพย์สินเงินเราให้หลงตามไปกับมันได้ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็อาจจะ อันแท้จริงแท้จริงเสียนสู่เป็นคารวาทีปฏิบัติกรรมฐานอวดแต่ว่าเราสานุสิทธิ์จะพึง อาจารย์สู่เป็นครั้งแรกจากพระอาจารย์สาธิตฐานวโรก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิรธรรมหรือว่าหลวงพ่อ พระอาจารย์สาธิตบอกว่าจะพาข้าพเจ้าไปชลบุรี ก็ 29 เมษายน พ.ศ. 2510 พร้อมกับอาจารย์อัมไพสุจริตคุณ ดร. ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็ไปหาอาจารย์สู่เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์ยก ข้าพเจ้าได้ถามคุณอำนวยๆชาวเมืองชลบุรีส่วนใหญ่มัก ชาวเมืองชลบุรีจึงเห็นท่านเป็นเพียง แต่ก็ดีเหมือนกันที่ชาวเมืองชลบุรีไม่รู้จักครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามา ไม่มีมีเพียงคํานี้ก็ทําให้ข้าพเจ้าสะดุ้ง คุณสมพรเทพสิทธาได้เล่าถึงว่าเมื่อ ของอาจารย์สู่ได้มาจากการปฏิบัติของท่านเอง ก็จะเข้าใจได้ในสิ่งอื่นๆทั้งหมดด้วยเช่นเดียวๆที่จะพูดถึง มุ่งความหลุดพ้นก็จริงแต่ท่านก็มีความยังเข้าไม่ถึงธรรมะลูกศิษย์เหล่านี้ยังมีความยึด วัตятиLEY ท temps ที่เสียงสุค์ทำขึ้นมีอยู่ 2 อย่างก็คือ 1. พระยันอoba 2. ประรอด ในโพét เสียงสุ o จะทำเป็นื่อเมื่อคนะขอไม่เคยทำไม่ล่วงหน้าเมื่อมีคนะขอพระยันอโทษ衣 ท่านจะคว้าเอาผ้าแดงมากีด นักปฏิบัติธรรมที่มุ่งมรรคผลนิพพานเมื่อมีเมตตาสว่างสะอาดสงบเป็นผู้รู้ ถ้าทำของฝั่งจิตใจยังไปยึดมั่นถือมั่นในของฝั่งนั้นอยู่อีกก็จะกลายเป็นผู้หลงทางปฏิบัติเรียกว่า คนแก่คนนั้นบอกเสียนสู่ว่าวิชาธรรมปรอด จินตผู้เห็นเป็นวิชาแปลกก็เลยอยากอ่าอยากจะลองทำดูเล่นๆไม่ได้คิดอยากจะเป็นผู้พิเศษห่อเหินโดยนากันได้แต่ประการใดการทำปรอดหรือเรียกว่าหุงปรอดนี่ก็คือการทำปรอดที่เป็นของเหลวนี้ให้แข็งตัวโดยการใช้พลังจิตระดับฌานขั้นสูงเพ่งกำจัดพิษปรอดออกให้หมดปราศจากพิษหมดแล้วปรอดก็จะแข็งตัวปรอดที่แข็งตัวแล้วมีคุณสมบัติในการรักษาโรคบางชนิด แล้วก็ดูดพิษร้ายต่างๆได้รังสีของปลอดบริสุทธิ์ที่แข็งตัวเป็นก้อนแล้วสามารถรักษา ที่สามารถปลอดได้สําเร็จผู้คนที่ไปหาเสียนสูมัก เมื่อเจ้าตัวมาขอคืนอีกคราวนี้ท่านจะไม่คืนให้ท่านให้เหตุผลบอกว่าตัวมาขอคืนอีกคราวนี้ปลอดไปนั้นไม่มีวาสนาปลอดๆด้วย เมื่อเขาคนนั้นได้ปรอดกายสิทธิ์ไปแล้วเสียงสู คืนให้ปลอดไปปลอดมันก็จะหนีกลับมาเหมือน โลกุตระต้องปล่อยวางหมดจะยึดมั่นถือมั่น อาจารย์สู่ได้นั่งเข้าสมาธิถอดจิตอำลาจากโลก 7 บรรทัดอาจารย์อัมไพจดข้อความนี้จากคําบอกเล่าของอาจารย์สู่เมื่อหลายปี แล้วก็อาจารย์อัมไพได้เอาพระหลวงพ่อ อาจารย์สู่ได้ให้ผงว่านแก้พิษต่างๆแก่เช่นแก้พิษๆและวิธีปฐมพยาบาลตลอด ถูกยาเบื่อหรืออาจารย์สู่ล้วนแต่เป็นวิธีง่ายๆและตัวยาก็เช่นคราบจักรจันทร์ขนปีกเหี่ยวหรือว่า ซึ่งอาจารย์อัมไพก็จดข้อความนี้ๆบางครั้ง อาจารย์สู่ก็บอกให้กลับได้จึงได้กลับๆที่ๆตัวอาจารย์นัมไพๆคําสอน ช่วยเหลือบำบัดทุกข์แก่ผู้คนที่ไปหาท่านล้วนหรือแนะวิธีให้ๆทั้งสิ้นนอกจาก เขาคนนั้นก็ยังอุตส่าห์หิ้วถุงโอเลี้ยงที่น้ำแข็งละลาย สวัสดีครับ